เมื่อวานพวกเราก็เดินทางไกลกันเนาะรวม3ามสิบกว่ากิโลได้เนะเราก็บอกว่ามาบ้านแมงเงานะแต่ที่จริงเป็นบ้านหัวเงานะดีนะเขาไม่บอกเขาไม่บอกเราไปบ้านแมงเงาตามที่เราบอกนาะ ยัเห็นเห็นต้นนี้เห็นป้ายอาสมอาสมธรรมจาติกบ้านหัวเงาตาบลแม่เงาหัวเงาก็คงแปลว่าต้นน้ําต้นแม่น้ําเงาแต่ก็จะมีอําเภอ อาเภอแม่เงาอยู่ตอนใต้ของแม่ห้องสอนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นต้นน้าต้นแม่น้ำเงานาะบ้านหัวเงานะก็เป็นเมื่อวานนะเราก็ได้เดินเดินไกลเนาะ ร่างกายก็เมื่อยล้าบ้างนะก็เป็นธรรมชาตินะที่จริงการเดินทางนะมันก็มีมานานนะตั้งแต่สมัยโบราณเนาะสมัยโบราณมีการเดินทัพนะอย่างเดินทัพที่ไกลที่สุดะอย่างเจียงคิดข่านในะ่ เดินทัพจากมองโ ก, โกเพื่มมอไ ป, อ ไ, ปไปลกไปชนะเมืองต่างๆจนถึงยุยโรปตะวันตกๆๆคนบวดาณก็อย่างไทยพมา่าหรือไทยลาวๆๆๆๆคิดว่าแต่ละประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเรื่องการเดินทัพเพื่อยกไปเพื่อจะ ลบ ก, กันเอาชนะกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดากันในสมัยโบราณนะแ ต, แต่การเดินทัพแบบนั้นมันทำให้เป็นแบบไห น, นมันทำให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อกันเนาะเดินผ่านที่ไหนคนก็ล้มตายเดินผ่านที่ไหนคนก็หวาดกลัวกัน แต่เราเราเดินผ่านที่ไหนเนาะอย่างน้อยก็ทำให้ชาวบ้านเขาเกิดศรัทธาขึ้นมานะอย่างเช่นเ<น>จ้าหน้าที่เขตรักษาพั น, น, น, นสัตว์ป่าเนี่ยเขาเห็นเราไปพักเขาก็เกิดศรัทธาเพื่อให้น้ำปานะักให้น้ำดื่มนะตอนนับอย่างดีนะ หรือแม้แต่บางคนก็ยิ้มทักทายหรือว่าถามไทยอันนี้ก็คือก็เป็นการมันเป็นการเดินที่แตกต่างกันนะบางคนเดินไปคนอื่นเขาหวาดกลัวนะแต่อย่างน้อยพวกเราเดินจาริกไปคนอื่นก็เกิดความศรัท ธ, ธาบ้างนะ อ, าอาจจะไม่รู้ว่าเราเดินเพื่ออะไรนะ จุดหมายการเดินเพื่ออะไรแต่อย่างน้อยก็เป็นการที่เขาได้คิดที่จะทําบุญคิดที่จะนะทําทานเนาะส่วนหนึ่งอาจจะเขาก็อาจจะรู้จักเรื่องพระธุดงค์นะหรือว่าการจาริกแบบนี้เขาก็อยากจะทําบุญทําทานกับพระธุดงนะก็ะถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัตินะ แต่ตัวเราเองก็อาจจะต้องดูตัวเราเองเรื่องการปฏิบัติเนาะน ะ, ะยางสมัยก่อนเนา ะ, ะการเดินทางเนะี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมน ะ, ะ, ะเคยอ่านหนังสือของท่านสาธิตกุมาร น, นะเคยนักเดินเท้าแปดพันไม้นะ เขาก็เดินทางด้วยเท้านะไปตามประเทศต่าง ๆ, ๆเดินทางเพื่อการคล้ายๆเรียกร้องสัติภาพนะสมัยสมัยเมื่อหลายสิปีที่แล้วอะ่ะมันเกิดมีสงครามเย็นนะสงครามเย็นไม่ใช่มันหนาวนะสงครามเย็นคือประเทศมันแบ่งไปสองขันะ้วขั้ว ขัวหนึ่งสองคงนิยมกัวหนึ่งเป็นประชาธิปไตยนะ เ, เกิดสงครามที่ไม่ได้ใช้อาวุธนะแต่ก็มีบ้างที่ใช้อาวุธในหลายที่แต่ตรางนก็ใช้เป็นสงครามจิตวิทยานะบอยคอดกัน ค, คนแต่ละประเทศก็หวาดกลัวกันนะที่นับถือลทัทธิแตกต่างกันก็กลัวกัน สาธิกุมารเาก็เดินทางไกลนะแปดพันไมล์เพื่อเรียกร้องสันติภาพเรียกร้องให้งดการใช้อาวุธเคมีน่นิวเคลียะที่รุนแรงนคนก็ให้การต้อนรับมากนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะแต่เขาทำเพื่อสันติสุขของโลกเขาทำเขาเดินเท้า ไกลยอมเหนื่อยนะเพื่อสติสุขของโลกนะหรือแม้แตม่มีการเดินทางอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเป็นเรียกว่าเป็นการเ ป, เปลี่ยนเปลี่ยนประเทศไปก็ได้นะอย่างประเทศอินเดียนะคันทีนะนะพาพาคนเดินเดินเท้าไปที่ทะเลนะไปมหาสมุทร เพื่อไปทำนาเกลือนะเรียกว่าเป็นการเป็นการเดินเท้าที่มีชื่อเสียงมากเนะท่านเดินทางจากจากเมืองเมืองหนึ่งที่ไกลจากทะเลนะแต่ยิ่งเดินไปเรื่อยๆ เ, เดินไปเรื่อยๆนะชาวบ้านหรือผู้คนก็สมทบนะสมทบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจนทั่งถึงที่ทะเลนะท่านก็พาคนทำทําเกลือ แม้สุดท้ายจะถูกจับนะแต่ท่านก็ยินดีให้จับนะยินดีให้จับคนะันทีพูดขนาดประมาณว่าเหมือนเรายินดีเดินเข้าคุกเหมือนกับคล้ายๆเจ้าบ่าวเดินเดินเข้าเดินห อ, อคือผูพ้พิภากษานะแบบประมาณว่าประมาณว่าเห็นใจนะเสียใจด้วยที่ ที่ท่านต้องถูกจับเงียนะอืมแต่ผู้พิพากษาก็ต้องทำตามกฎหมายของรัฐบาลอังกฤษแบบนี้นะอืมแต่คันที่บอกท่านไม่ต้องเสียใจกับผมเนี่ยผมยินดีเดินเข้าคุกเหมือนกับเจ้าเป่าที่เข้าเรือนหอคือเมื่อพร้อมที่จะทำก็พร้อมที่จะรับอื กานจีก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากก็อาศัยการเดินทางเนะี่ยเดินได้เท้านะเป็นการปฏิวัติประเทศอินเดียได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่เพียงแค่การเดินนะแต่จริงวิถีชีวิตของท่านก็เป็นวิถีชีวิตของคล้ายๆเป็นนักบวชนะเนาะเป็นวิถีชีวิตที่อยู่อย่างเรียบง่ายแล้วก็สมถนะแล้วก็ประพฤติธรรมอยู่ในตัว เราเองก็เหมือนกันเนาะเราเองก็เป็นนักบวชนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมแล้วก็มีการประพฤติ ธ, ธรรมเป็นหลักการเดินแม้เราจะไม่ได้เดินเรียกร้องสันติภาพ <c oughs> ไม่ได้เดินเพื่อปฏิรูปประเทศอะไรต่างๆแต่ก็อย่างไรพรขอให้เรา เดินกับมหาสันธิภาพในใจของเราเนาะมหาสันติสุขคือความสงบร่มเย็นในใจของเราเนาะหรือว่าเดินเพื่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความหลงนะให้เป็นความรู้นะเปลี่ยนแปลงกิเลสต่างๆนะอย่าให้มันงอกงามนี่คืออย่างน้อยเราก็เริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ตัวเราเองเริ่มต้นที่การประพฤติของเราเองนะตัวเราเองก็เป็นแบบอย่างให้กับหมู่คณะอยนะ้หรือที่จริงตัวเราเองเดินทางไปที่ไหนญาติโยมเขาเห็นนะเขาศรัทธาเขาอย่างน้อยเขาก็ได้ทำบุญทำทานนะหรือบางคนเขาอาจจะมีปัญญามากขึ้นเขาก็ได้ฟังธรรมนะอาจจะได้จะเดินในธรรมขึ้นไปนะ เหมือนอย่างพระพุทธเจ้านะท่านก็อาศัยการเดินนะแม้ออกจากบวชจากเดือนตอนแรกใช้ม้าออกบวชนะออกบวชนั่งม้าออกไปแต่พอปมผมแล้วก็ก็สละม้านะสละเครื่องแบบของราชาออกไปนะก็เดินเท้าสแสวงหาครูบาอาจารนยนะ์ แสวงหาทางหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็อาศัยการเดินนะมาสอนปัญจวัคคีย์เมื่อมีปัญจวัคคีย์รู้ธรรมมีพระหลายรูปรู้ธรรมท่านก็บอกเนยะบอกพระสงฆเจรัตถะพิกเวนะจาริกังหิตายะจาริกังสุขายะโลกานุกรรมตายะ ท่านก็บอกพิสุทั้งหลายเนี่ยจงจะดิกไปนะในที่ต่างๆนะเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั้งหลา ย, ยท่านก็บอกพิสุในกลุ่มแรกที่เผยแพรธรรมะก็คือว่าให้เดินไปนะตามที่ต่างๆเพื่อเผยแพรธรรมะนะพิสุเหล่านั้นร่วมเป็น มันเป็นพระอรหันนะกิจของท่านก็จบแล้วนะการเดินไปที่ต่างๆก็เป็นเป็นเพื่อกิจเพื่อคนอื่นเนะอแต่เราเองก็อาจจะอาจจะต้องทํำต้องสกิจนะกิจของตัวเราเองยังไม่จบเราก็ต้องทํำนะกิจของคนอื่นเองที่เราจะพออนุเคราะห์ได้เราก็ต้องทําเหมือนกันนะท่านก็ใสพระพุทธเจ้าก็ กับเหล่าสาวว่าทั้งหลายก็อาศัยการเดินน่ะเหมือนอย่างพระอัสชินะท่านเดินบินทบาทอุปจิตตะหรือว่าพระสารีบุตรนะเป็นอนาคาริกกำลังแสวงหาธรรมะอยู่นะเห็นพระอัสชิเดินบินทบาทเกิดความสงบเกิดความสำรวมเกิดความเรื่มใส่ขึ้นมานะในกิริยาของพระอัศชินะ ก็ เ, เกิดศรัทธาเข้าไปถามธรรมะเนะี่ยจนกระทั่งเข้าใจธรรมะเบื้องต้นแล้วก็ได้พบพระพุทธเจ้าเนะนี่ยแค่การเดินนะการเดินด้วยอาการที่สงบยังมีสตินะมันก็ทําให้คนที่มีปัญญานะได้เกิดเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดเข้าใจธรรมะมากขึ้นก็ได้เนาะนั่นการเดินของเราเนาะก็พยายามเดิน เพื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอะไรที่มันเป็นความยึดติดถือมัน่นอะไรประเภทเป็นความหลงแล้วก็แล้วก็ละมันเสียนะส่วนอะไรที่นะเราจะต้องพออนุเคราะห์ญาติโยมได้เราก็อนุเคราะห์เนาะอย่างน้อยโดยกิริยาท่าทางของเราเองหรือน การปฏิสันฐานนะสามีโยมมาพูดคุยเราก็สามารถเป็นตัวอย่างได้น ะ, น ะ, นะบางทีก็อาจจะต้องดูดูนะดูดูระวัาบางบ้างนะบางทีเวลาเราไปพักมีญาติโยมนยก็ต้องก็ต้องระมัดระวังบ้างนิดนึงในคำพูดในกิริยาของเรานะบางทีเขาก็รู้แหละเขาก็เข้าใจนะว่าเราเดินทางเหนื่อยเดินทางไกลนะ แต่ก็บางทีญาติโยมเขาก็คิดได้หลายแบบเราก็ไม่แน่ใจนะเราก็ต้องระวังของเราด้วยมันก็เป็นการอนุเคราะห์ญาติโยมเขาส่วนหนึ่งนะคนที่มีศรัทธาเขาก็จะมีศรัทธามากขึ้นคนที่ยังไม่มีศรัทธาเขาก็จะได้มีศรัทธามากขึ้นอหรือการที่เราได้ถ้าเรา ถ้าเขามาถามมาพูดคุยแนะนำก็เขาก็ฟังธรรมมากขึ้นนะอย่างเขาก่อนนะผมจะมาเดินทุ ด, ดงคนเดียวตอนนั้นก็มาพักที่บ้านแม่สืดินซีมูวานก่อนที่เราพักเนาะหลวงพ่อท่านก็บอกให้ออให้ญาติโยมในหมู่บ้านออบอกออพากันไปฟังธรรมกับพระทุดองหน่อยนะออไปที่ กองมูใต้น ะ, นะโยมหลายคนก็เออไปฟังธรรมด้วยนี่ก็เขาก็อาจจะได้ประโยชน์บ้างนีืถ้าเรานั่งรถไปถ้าเรานั่นไปมันก็อาจจะได้อีกแบบหนึ่งเนา ะ, ะแต่การที่เราเดินไปนได้วยความยากลำบากหรือไปอยู่ในที่สงบสงัดได้อย่างคนเดียว น, ะนะี่บางทีโยมเขาก็เกิด เกิดความศรัท ธ, ธาขึ้นมาแต่นั้นก็ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการเดินทางของเรานะที่จริงก็จุดประสงค์หลักของเราคือเราเดินเพื่อขัดเกลาตัวเองนั่นแหละแต่บางทีก็ถ้าทำประโยชน์กับคนอื่นได้เราก็ทำบ้างก็แค่นั้น น, นอกจาะยังเหลือเวลาอกีกหลายวันนะที่เราจะได้เดินทางนะด้วยกันแนละ้วก็ให้พวกเราพยยางตั้งใจนะ การเดินก็เพื่อขัดเก่าตัวเองแล้วก็เพื่ออันุเคาะนะแกชนหมู่มากนะก็ให้พวกเราลองดูแม้เราไม่ได้เป็นนักบวชทุกคนทุกท่านนะแต่ก็คารวะที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงก็ก็สามารถเป็นแบบอย่างนะในการเดินที่ดีได้นะอย่างหลายคนก็รู้จักนะอาจารย์ประมวลนะก็เดินแบบเพื่อสแสวงหา สแสวงหาอะไรสักอย่างนจริงๆนะอาจารย์ก็ได้พบในสิ่งที่สแสวงหาหรือได้พบมากกว่าสิ่งที่สแสวงหาอะไรแบบนี้นเพอเกิดให้มีญาติโยมเกิดความศรัทธาเรื่องใสแล้วก็เกิดประโยชน์ในการที่คนได้เกิดแรงบัรณาใจในการสแสวงหาวความจริงมากขึ้นแบบนี้เนาะเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคาราวาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักบวชนะถ้าเราตั้งใจทำอะไรจริงๆนะแต่ก็ต้ององดเล็บนะอย่าทําด้วยความเคร่งเครียดนะอย่าทําด้วยความทุกทุกใจเนาะแต่ทุกกายเนี่ยมันก็ต้องมีแน่นอนนะต้องทําด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะ เมื่อเราทำในสิ่งที่มีคุณค่าเราจะมีความสุขในสิ่งที่ได้ทำนะนะแม้มันจะทุกกายแม้มันจะเหนื่อยแต่เราก็รู้สึกสุขใจที่ได้ทำนะนะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะมันจะเกิดความสุขเกิดความสงบนะเกิดสมาธนะิขึ้นมาในใจนะยิ่งถ้าเราเห็นสาจะทํา ภายในกายภายในใจมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งเกิดปัญญาเตามมาขึ้นเรื่อยๆเนา ะ, ะก็ฝากไว้นะ